สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการสันสนิสนทนามาแล้วค่ะดิฉันสันสนิษฐานพงษ์นะคะดําเนินรายการครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละ5วันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในวันนี้นะคะเรื่องที่ดิฉันตั้งใจจะนำเอามาคุยกับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่ได้อ่านมาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจหัวข้อเรื่องพลังใจสาว40บวกประตูสู่ความสุขสี่บวกนะะี่เเรียกว่าเป็นสาวนะคะดิฉันเคยอ่านหนังสือพิมพ์ บอกว่าหญิงชราวัยห้าสิบอ่านมาจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้อ่านคนเดียวทำให้คนวัยห้าสิบขวัญกระเจิงกันไปหมดเลยทีนี้เข้าใจว่าเรื่องที่อ่านเนี่ยคงไม่ได้ใช้กับผู้หญิงแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเป็นคำว่าวัยทองเนี่ยดี่ัก็ได้ความรู้ว่าผู้ชายเองก็มีห่วงเวลาของวัยทองเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะวัยไหนในโลกนี้เมื่ออยู่ร่วมกันทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ย การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะจะได้เข้าใจกันแล้วก็จะได้รู้ว่าคุณจะปฏิบัติต่อกันเช่นไรจึงจะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสำหรับเรื่องที่อ่านนี้เขามีหัวข้อเรื่องย่อยเข้าไปอีกว่าหลุมพรางความคิดที่คนวัยทองติดกับในแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชชื่อคุณหมอวิโรธรัะ ก, การวิ จ, จิตนะคะท่านพูดไว้ว่าเนี่ยเมื่อคนอายุ40บบวกเนี่ยจะมีหลุมพรางความคิด ที่คนวัยทองติดกับก็เท่ากับว่าท่านบอกว่า40ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นการก้าวย่างสู่วัยทองแล้วอกับดักนี้เป็นอย่างไรบ้างทางความคิดท่านบอกมี6ข้อดังนี้ค่ะข้อแรกบอกคิดไม่มีเป้าหมายคิดเรื่อยเปื่อยเพ้อฝันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ข้อที่สองบอกว่าคิดทางเดียวชอบอยู่กับคนที่คิดเหมือนๆกันจะนาไปสู่การคิดเข้าข้างตัวเองจิตไม่มีพลังจึงต้องฝึกคิดต่าง ข้อสมบอกว่าจะคิดวนเวียนหมกมุ่นอันนี้ถือว่าอยู่ในระดับจิตสันนึกฐาน ะ, ค, ะความคิดจะวนไปวนมาหาทางออกไม่ได้ข้อที่4คิดเรื่องไม่ควรคิดเช่นคิดเรื่องคนอื่นแนะนําว่าจึงควรคิดเรื่องที่เราควบคุมได้ดีกว่าข้อ5ไม่เรียนรู้ความคิดเป็นระบบอันนี้ท่านว่ามีเหตุ จากระบบการศึกษาของเราที่ทำให้นักเรียนเนี่ยคุ้นเคยกับการท่องจำไม่ได้คุ้นเคยกับการคิดเวลาเกิดปัญหาคิดเป็นระบบก็ไม่เป็นจึงหาทางออกไม่ได้ส่วนข้อ6ค่ะท่านบอกว่าคิดว่าความคิดเป็นตัวตนจะเชื่อว่าสิ่งที่คิดเนี่ยเป็นคำตอบคือเหมือนกับอาจจะคิดอะไรขึ้นมาสักอย่างเอ๊ะเนี่ยสามีออกจากบ้านกลับมา มันมีกลิ่นน้ำหอมช็อกโกติดเข้ามาจะต้องเป็นกลิ่นใหญ่คนนั้นแน่เลยที่เป็นเลขาสมมุตินะคะแล้วก็เชื่อปากใจเชื่ออย่างนั้นอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้เดียนพยายามยกตัวอย่างเขาบอกว่าไอ้คิดที่เป็นตัวเป็นตนเชื่อว่าสิ่งที่คิดเป็นคําตอบความจริงเนี่ยมันยังมีปัจจัยอื่นอีกอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดอาจจะเป็นเพราะว่าเดินผ่านห้างสรรพสินค้าที่เขาขายน้ําหอมเอาตัวอย่างมาฉีดฉีดให้ก็เป็นไปได้จึงอย่าเชื่อความคิดแว็บแรก ควรใช้เหตุผลประกอบและท่านก็สรุปว่าความคิดที่เป็นระบบเท่ากับพลังที่จะทำให้หลุดพ้นจากกัดดักความคิดที่เป็นระบบจะทำให้กายใจแข็งแรงจึงเกิดสงสัยว่าเอเราจัดรายการธรรมะเนี่ยพุทธธรรมจะช่วยจัดการกับความคิดทั้งหลายที่ว่าได้หรือไม่อย่างไรทั้งสาวและหนุ่มวัยทอง เชิญมาฟังด้วยกันนะคะรวมไปถึงท่านอื่นๆที่อยากอยู่กับคนในวัยนี้อย่างมีความสุขด้วยเดี๋ยวอาจารย์นรมาสการถามพระอาจารย์ไยบรูนอะภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกในช่วงถามโลกตอบธรรมค่ะ